อยู่วัดนี้ก็มีซึ่งเป็นอาคันธุกะเพิ่งมาอาศัยอยู่ก็มีก็ร่วนแต่เป็นนักบวชซึ่งพยายามหาความสงบด้วยกันทั้งนั้น <c oughs> ในความประหลดพิแทกิงนั้นพอกเราทั้งหลายจงเข้าใจ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 ก็ยังไม่ค่อยสบายก็ยังมีภาะระผูกพันอยู่เสม อ, อมนี่เรียกว่าเดินยังไม่ถึงบ้านลรอกไม่ถึงจุดหมายปลายทางลก็เยกลยลอนไปในทิศ ต, ต่างๆเรียกว่าสแสวงหาโมกขธรรมยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุสามนเณรเหล่านี้เป็นตัวอย่าง ใครก็ต้องการความสงบฮาความสงบนะตลอดพักทันทั้งหลายถึงผมก็เหมือนกันอย่างนั้นไม่เป็นที่พอใจไปที่ไหนก็ยังไม่เป็นที่พอใจเข้าไปนี่ปานี้ก็ดีไปกราบอาจารย์นั้นก็ดีไปฟังธรรมใครก็ดีก็ยังไม่ได้รับความพอใจอันนี้มันเป็นเพราะอะไรอืมนี่ให้เราเข้าใจ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 มันจะรู้สึกอะไรั้มมันจะรู้สึกอะไร ม, ม, รอไรมลองลองคิดดูสิสตาของเรานั้นนะ่ะถ้ามาเห็นรูปมันจะเป็นยังไงไหมหูเราเนี้ยถ้ามาได้ยินเสียงมันจะเป็นยังไงไหมเจมูกนี่ทําไม่มีกลิ่นมันจะเป็นยังไงมัมยลิ้งเราไม่รู้จับรถมันจะเป็นยไงไหมร่างกายไม่ กระทบโหพภะที่ถูกต้องอะไรมันจะเป็นอะไรยังไงไหมดูที่ดูใกล้ๆเรานี่แหละถ้ามันเป็นช่นนันน่ะมันก็เป็นแคคนตาบอดเลยนคนหูหนวกนะคนจมูกขาดเลยลิ้นดุดไปเช่ไหมายในรับรู้อะไรเป็นอมพาสไปเลย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 เสียงมันก็อื้อมันไม่สงบเลยนะก็คิดผ่านไปผ่านมาเสมอว่าจะทํำไงนอนาะมันไม่สงบก็ต้องหาที่พึ่งมาะปั่นที่พึ่งกลมๆสะ อ, อุดเข้าไปในหูนะไม่ได้ยินอะไรไม่ได้เสียงอื้อนะ่ะนยนึกว่ามันจะดีเนะนึกว่ามันจะสงบเนะเปล่า ไม่ใช่มันเป็นที่หูอีกแล้วมีความคุ้แต่งอยากจะนั่งให้มันสงบอืมร้านวัดก็ไม่อยากจะไปกวดมันอะไรก็ไม่อยากจะทำมันอยากอยู่เฉยๆให้หาความสงบอย่างครูบาอาจารย์ช่วยจิตวัด อที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่ค่อยจะเอาใจใส่ลงไปก็เพราะว่าเห็นว่ามันมันเป็นงานภายนอกไป่ผมเคยยกให้ฟังบ่อยๆเช่นอาจารย์ทินวนซึ่งเป็นบุษิลผมแกมีศรัทธามากที่สุดตัด้งใจมาปฏิบัติละวางความานสนุกพุ่มก็สนในละให้วาง ท่านก็เข้าใจนั่นแหล่าละวางทั้งหมดอย่ากต่างมันจะดีไอ้ความเป็นจริงนั้นท่านก็มาอยู่ด้วยไม่ต้องอยากจะทำอะไรแม้รังคากัจจะลมันพัดออกไปตกไปข้างหนึ่งที่หนึ่งท่านก็เชือท่านอันนั้นเ็นของภายนอกนะไม่เอาใจใส่แดดฝนมาข้างโน้นท่านก็กพลิกมาทางนี้ ท่านเราม่ใช่เรื่องของท่านเรื่องของท่านมันเรื่องจิตสงบเนี่ยเรื่องลางคามันรัว่วไม่ใช่เรื่องของท่านอืมมันขัดข้องวุ่นวายมันเป็นภาระเนี่ยอีอ น, นี้คือค่ามพูดถึงความเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอีกวันหนึ่งผมก็เดินเดินไปไปพบลางคามันตกผมก็ถามเธอว่า น, นี่กติกของใคร มาของท่านอาจารย์พี่นวนมแตกกันกะ็เลยได้พูดกันอธิบายอะไรต่ อ, อรายการได้อย่างอเสนะสนวัดนะ่ะที่เราอยู่นั่นนะ่ะคนเรามันตน้องมีที่อยู่ที่อยู่เป็นยังไงก็ต้องดูมันนะอไม่ใช่ว่าเราหาเอาอะไรอืมการปล่อยวางไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้น มไม่ใช่ว่าเราปล่อยเราทิ้งอนนั้นมันลักษณะที่คนที่ประมาทไม่ดูเรื่องนีฮัตเกลุกมาคนตก ม, มาเอาตีต้องพลิกไปยืนโน่นเองทําไมไปยืนโน่นแดดออกมาตรงพลิกไปข้างโน่นอีกและทําไมเจ๊งั่นล่ะถ้าไม่มีปล่อยมันไม่วางอย่านี้ผมโลเทสในฟังกันใหญ่ท่านบางคนใจอืเรานูาพ่อยบางทีเทศให้เราเยึดมั่น บางทีททเทเสถียรเปล่อยวางไม่รู้ว่าจะเอาอะไรยังไงนะอืตลอดถึงทงางคาสติมันตกลงไปเราก็ปล่อยก็วางขนาดนี้ท่านก็ยังว่าไม่ถูกอีกอืมแต่ท่านก็เทศว่าไม่ให้ยุดไม่รู้ว่าจะทํำยังไงมันจึงจะถูกรู้สิคนเนี่ยใช่ไหมนี่มันเป็นอย่างนี้ในการปฏิบัติมันมันโง่อย่างนี้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 รีนเนี่ยมันจะมีรสไหมเจ้าอริณเนี่ ย, ม, ยมันจะมีรสไหมมันต้องอาศัยรสภายนอกมากระทบมันถึงมีรสเย่างนั้นเลยตายหมดนะอายตนะตายตาหูจมงกลิน้นกายตายหมดก็เลยเป็นคนที่บ่ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นดูเร่องเหตุมันเป็นตรงไหนไหม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 หาความสงบมันจะมีอะไรไหมไปอยู่สถานที่ว่าไอ้ถ้าเราไปให้โทษเสียงไปนั่งที่ไหนมีเสียงก็ก็ไม่สบายใจนะซึ่งตะกี้นี่ไม่ไม่ไม่ดีนี่ที่ไหนมีรูปก็เดียวที่นี่ไม่ดีไม่สงบอะไรที่ไหนมาเนี้ยอย่างงั้นก็ต่องคนเป็นคนอายตนะหายหมดตาบอหดหูหนวก ยิง่งผนทดลองดูยังนั่นก็คิดไปเออมันก็แปลกเหมือนกั น, นมันไม่สบายเพราะตาโหยตัวงหงุดหิดกายผิตนี่แหละหรือว่าเราจะเป็นคนจะสุบอดนะดีมันไม่เห็นอะไรดีมันจะหมดกิเลสคิดตรงเด็กเจะสุกมันบอดใช่ไหมไม่เห็นโลกมันรู้หากว่าหูมันหนักมันตึงมันจะหมดจริเลสที่ตรงนั่นใมะไหม ลงองลองดูที่ไม่ใช่ทั้งนั้นแหลืมพราะนคนตาบอด ก, ก็สมเด็จอรหันเนี่ยคุณหูหนวกก็สมเร็จหมดแล้วตาบอดหูหนวกเป็นหมดถ้าหราวขี้ดิบมันเกิดขึ้นตรงนั้นอันนั่นคือเหตุมันเหตุถ้าเรามันเกิดจากเหตุตรงนั้น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 ไม่อยากจะเห็นรูปไม่อยากจะฟังเสียงไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นว่ามันวุ่นวายที่ตรงนั้นเราไปตัดเหตุมันดอกเสียแล้วแล้วจะเอาอะไรมาพิจรารณาล่ะลองดองสิอะไรจะเป็นเหตุเนอะอะไรจะเป็นเบื้องต้นท่างางเบื้องปายมันจะมีไหมเนี่ยอันนี้คือความคิดผิดข อ, ของเราทั้งหลายานั่นคือ่าอาจารย์ท่านที่ไหนสังรวม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 ก็ศีลก็ดีก็ปัญญาก็ดีเหมือนเอามือต่อมือร้างกันขูดกันสีกันเท้าเท้าต่อเท้าร้างกันสีกันมันก็ให้สะอาดได้เรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเราคิดดูดิคิดประวัติที่เรียกว่าพระอะไรนะพระสารีบุตร ท่านไปพกครับด้วยตาของท่านเห็นเห็นเดินไปเห็นท่านเดินวิบินบาทพระอริยะส า, าวกเดินวิบินบาทท่านก็มองเห็นเมื่อมองเห็นก็เกิดความรู้สึกกันเมฆพระองค์เนี้ยแตกมาเกิดเนี่ยเดินไม่ช้าไม่เร็วี่กรีบรีวรสีรีวรของท่าน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 กราบว่ า, าท่านเป็นใครฉันเป็นสมณะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านตอบว่าพระโก ด, ดูเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านพระโกลูนั่นท่านสอนท่านว่าอย่างไรพระอริยะบุคคลเนอ ท่านสอนมาทำมันเกิดเพรานะเหตุเนะเมื่อมันจะหลับเพราะเหตุมันดับไปก่อนผลก็จะดับไปด้วยนี่คือภาษาดิบุตนีมนในประเทศ ท, ที่ฟังท่านก็พูดที่ว่าทำตัวด้วยทัานจะอธิบายธรรมะอย่างฟุ้งเฟ้อไม่ท่านฟังไม่ได้จะอธิบายพอสังเขตสังเขตเท่านั้นท่านยกเหตุผลขึ้นมาท่ำเกิดเพราะเหตุ เหตุเกิดก่อนผลจึงเกิดเมื่อผลมันจะดับไปเหตุมันดับก่อนเท่านั้นภาษสารีบุตรพอแล้วตอนผมบังทมได้บังทำก็ทั้งเหตุกันนั้นม ไ, นะไม่ต้องพิจารณาแค่เทนะ่านะั้นอันนี้เดียวว่ามันเป็นเหตุเพราะว่าในเวลานั้นท่านพระสารีบุตรท่านมีตาและมีหูและมีจมูกมีหิน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 ให้มันกระทบเปื้อยไปหูตาหูจมูกเปลียนกายจิตได้เคลืนเลยกระ ด, ดูวอันเดียวกันนั่นแหละให้มันรู้จักเราจะต้องปฏิบัติคนสอนง่ายก็ให้รู้จักคนสอนยากก็ให้รู้จักอออะไรให้รู้จักทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ความจริงอืมเราจะต้องเอามาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแต่สิ่งที่ว่ามันดี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 เอาแต่องค์ที่ชอ บ, ชอบนี่ น, นี่ดูที่เอาด้วสิ่งที่มันชอบไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเป็นอย่างเงี้ยเอ่ยความเป็นจริงนั่นเรานะั่นนี่แหละพระพุทธโอสุ ป, ประการเราวิตูเราเกิดมาดูโลกอันเนี้ยอ่าดูโลกเนี่ยให้แก่มแย้งให้ชัดเจนอืมโลกเนี้นน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 ไม่ใช่ท่านจะเอาอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าท่านหนีโลคไปหาสัจยธรรมที่อื่นแต่ท่านมีปัญญาสังวรสังรวมโดยอายรตตาโอ้เต็มหัวเปลียนกายจิตของท่านอยู่เสมอไม่ใช่ว่าท่านหนีไปอย่างไรทาการประพฤติปฏิบัติเนี่ยคือการไ้พิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รู้ว่าตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ ให้ดูเรื่องมันทะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้รู้อายตนะเคลื่อนต่อตายตามันก็ต่อรูปเข้ามาเป็นอารมณ์หมูมันก็ต่อเอาเสียงเข้ามาจมูกมันก็ต่อเอากลิ่นเข้ามาริ้นมันก็ต่ออรรถเข้ามาร่างกายก็ต่อปุถะภาคเข้ามาเกิดความรู้ขึ้นนี่ที่เกิดความรู้ขึ้นให้เราพิจารณาตามความจริง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 ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านไหนสังวรสังรวมการสังวรสังรวมนั่นไม่ใช่ว่าไม่ให้มันเห็นไม่เห็นรูปไม่ให้ได้ยินเสียงไม่ให้สิ่นไม่รู้จักรลบไม่รู้จักโสดจักระไม่รู้จักคำอารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นเออไม่ใช่อย่างนั้นถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไม่เข้าใจ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 แล้วข้างหน้ามันก็ไปโผล่กันอีกก็ต้องแก้ปัญหาอีกเหมือนแผลที่ว่ามันเป็นแผลขึ้นมาอืมเรารักษามันซะปรากปาดแผลเดียมันก็แห้งครับใส่ยากข้มันก็แห้งเข้าปาดแผลมันแห้งเฉพาะแต่ปากแผลแต่ไอข้างในมันยังอยู่คือมันดีแต่ข้างนอกคือบันนี้เรามาได้ยินเสียงเนี่ยมาไเห็นดวงนี้ไปเท่านั้สบาย สบายเพราะอะไรเพราะไม่ได้ยินเสียงเพราะไม่ได้รู้รูปเพราะไม่ได้ลุงมิ่นในรีบร้ไม่ได้โสตภาะสบายเพราะอันนั้นสบายเพอนี้จากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอ่ไม่สบายเพราะความรู้เท่าตามความจริงอ่เหมือ น, นกันกาดแผลที่แบบาดแผลมันดีแห้งแล้วเจ้ว่ทาทันในมันอยู่ไม่หายนานๆอักเสบเป็นมาทีนึง เนยก็ไปท่าอีกรักษาอีกเย็บอีกแล้วก็รักษาไว้แล้วข้างในไม่ดีแต่ปากแผลมันเดอรีอีกพอหยุดการรักษาแล้วตอนนามันดีแล้วเนี่ยนานๆไายเป็นส่วนมันก็อาเจียนมาอีกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นพวกปฏิบัติเรา อยู่ในวัดก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่ในเขาก็ดีก็ไม่สบายก็เดินไปตรวงอ น, นี้ไปดูอันนั้นไปดูอันนี้สารพัดอย่างให้มันจะสบายใจนะก็ไปใส่แววความเห็นไม่ตรงตามความจริงอย่างนั้นลงขึ้นไปภูเขาเออตรงนี้ก็สบายนะเอาละไม่รู้สบายกี่วันึงเบื่ออีก แ, แล้ว เอาลงไปทะเลหน่อนะ่ยเออตรงนี้มันเย็นดีไว้อืมอตรงนี้พอแล้วเอาแล้วนานนี้ก็เบื่อทะเลอีกแล้วเบือ่อภูเขาเบื่อป่าเบือ่อสาตว์ทัดอย่างมไม่เคยเบื่เป็นสัมมาสิฏฐิเบื่เป็นมิจฉาสิฏฐิกลับมาแล้วต่อไม่เห็นอะไร ก, กลับมาถึงวัดจะทําไงเนาะไปไงเนาะ ไม่มีอะไรจะได้มาและก็ทิ้งบาทรสึกเนี่ยสึกทำไมมันทึ้งสุดมันไม่มีเ่วงกันสึกเหมือนรองท้าเราเห็นไหมรองท้าที่ดีอย่างนี้เ็ามีช่วงกันสึกไปถูกยีนถูกจอไม่สึกมันกันสึกแล้วถ้ะเราหนี่ก็มันกันฉันนั้นไม่มีร่องตีมันกันสึกมันก็สึก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 หนีจากสิ่งจำหลายเรานี่ไปปัญญาไม่เกิดเอาลองลองดูนี่ก็เอานะเอาใกล้กลักนเนี่ยเราอยากจะอยู่ในความสงบระงับที่สุดน ะ, นะไม่อยากจะรู้เรื่องพระเรื่องเนรเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ห น, นีไปที่ที่กับอีกคนหนึ่งตั้งใจดีแล้วไปตรงนี้นั่นนะให้ไปอยู่ปกครงองตัวเองรู้เรื่องของตัวเองอยู่เรื่อย นี่นก็คนอื่นมาอยู่เรื่อยแต่รู้เรื่องสิ่งคนทั้งหลายแก้ปัญหาตลอดเวลาขึ mm ้น hmm. ถ้าเป็นจเจ้าอาวาสสมมุติถ้าเป็นเจ้าอาวาสอันนี้เหตุการณ์มีอยู่ทุกเวลาปัจ mm hmm. จุบันนี้ก็มีเลิกจะได้มันก็ ย, ยังมีอะไรเกิดขึ้นมาพิจารณาอยู่ปลูกใจเราเสมอทีเดียวมันปลูกใจเสมอนี่เพราะอะไรนี่แเพราะเขาถามปัญหาไม่หยุดนี่วะ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 เกิดจากการต่อสู้เกิดจากการไม่นี่ไม่นี่ไปด้วยกายแต่เรานีทางใจนีทางปัญญาของเราเรารู้เลยปัญญาของเราอยู่มันตรงนี้นหะแต่ว่าเราไม่นี่มันเราจะหนีมันด้วยปัญญาไม่นี่ไปในทางกายด้วยกายเราเนี่ยอืมอันนี้เป็นเหตุที่จะให้เกิดปัญญาจะต้องทําจะต้องคุ้ครวอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ กระมวลกันก็ที่เราอยู่ในวัดเราอะ่ะช่วยกันรักษาอะไรต่างๆทุกขีอยู่อย่างเนี้ยแต่ระเมินมองดูต่าอื่นก็แดับมันเป็นกิริตเนี่ยเนีอ่อยู่แตกับพระมากๆเน้นมากๆโยนมากๆเป็นกิริษณมากใช่ยอมรับเหมือนกันอืมต้องอยู่ไปให้ปัญญาตืดด่นติดให้มันลดความโง่ดิ อย่าอยู่ไปเพื่อให้มันเพิ่มความโง่ขึ้นมาที่มันจะไปตรงไหนนะละเราอยู่ไปเพื่อที่ว่าให้มันลดความโง่อย่าอยู่ไปเพื่อให้มันเพิ่มความโง่ขึ้นมาจะต้องพิจารณาตาหูจมูกจีนกายมันจะกระทบเมื่อไรเป็นต้นก็ต้องสังวรหรือสังรวมพิจารณามาทุกเกิดเป็นมาใครทุกเนี่ย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 ทุกเน่ไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ทุกข์ขัตย์หรือเนี่ยเรื่องทุกข์อะเราจะเห็นแง่ว่ามันไม่ดีหรือเนี่ยทุกข์ขัตริย mm ์อ hmm. ืทุกข์ขัตริย์สมุทัยยติย mm hmm. โรตัสัตมักขัตริย mm ์ hmm. ถ้าเราหนีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไม่ปฏิบัติการสัจธรรมเท่านั้นเนี่ย mm hmm. มันจะพบทุกข์ว่าอะไร mm hmm. มันจะรู้เรื่องอะไรเราหนีทุกข์ด้วยไป เราไม่รู้จักทุก็หนี้เลยไปทุกนี่มันเป็นสิ่งที่กําหนดรู้ถ้าเราไม่กําหนดมันจะรู้มันเมื่อไรไม่พอใจหนีไปไม่พอใจหนีไปเรื่อยนนก็ทำสงครามเนาะหมดหมดประเทศพยามารเอาหมดเลยเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านให้นีด้วยปัญญาเปรียบเป็ น, นว่าเรามีเสี้ยนดืน่นนะ้านะอ่า ตามเท้าเราในน้อยเดินไปเจ็บปวดบางทีก็หายหายไปบางทีก็เดินไปมันถูกเมื่ต่อเข้ามันถูกสะดุมันเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็มาคลําดูมันถ้ามันอยู่ตรงนี้คลําไปคลามาก็ไม่เห็นแล้่ขี้เกียดดูมันก็ปล่อยมันไปัอีกต่อไปเดินไปถูกจังหวะมันอีกเป็นต้นคลำเดื่องนี้เล่อยๆมาเนี่ย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 ไอความสนใจที่จะเอา้ํามออกจากข้าวเรามันมีตรอบเวลาอีกวันหนึ่งจะต้องตั้งใจเอาหนามออกจนได้เพราะมันไม่สบายอันนี้เรียก ว, ว่าไอการสรับความเพียรของ เ, เราก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันขัดที่ตรงไหนมันไม่สบายที่ตรงไหนมันติดตรงไหนอกีก็ต้องมีเจตนาที่ตรงนั้นแก้ไขที่ตรงนั้น ไอแก้ไขที่ไอ้ไอ้หนามี่มันยอเท้าเรานั่นแหละงัดมันลงตรงนั้นแหละอืมเอาตรงนั้นแล้มันออกตรงที่มันเจ็บปวดนั่นแหละออกไอ้หนามนอยู่ตรงนั้นอันนี้เปรียบอุปมมาให้ฟังอย่างนั้นจ mm ิต hmm. ใ, ใจของเราแต่มันติดอยู่ที่ไหนอะไรนั่นเน่ยเราก็ต้องรู้จักอยู่อย่างนั้นอ mm ืม hmm. คำไปคำมาก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่อย่างนั้น อแต่ความเพียรของเราไม่ถอยเหมือนกันไม่หยุดอืมท่านเรียกว่าวิริยลํมพระวิริยลํมพระปลาโลกความเพียรอยู่เสมอเอมื่อเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นมาเมื่ อ, อไรในเท้าขอเราเนะ่ะปลาโลกจะเอาน้ํำออกเสม อ, อจะบ่งน้ําออกเสมอไม่ได้ขาดเลยไอ้สีทุกทางใจมันเกิดขึ้นมาแด้วยจีดีปัญหานี้ เราก็มีความรู้สึกควารู้ความเพียนเสมอว่าจะพยายามพยายามฆ่ามันพยายามละมันอยู่ตลอดเวลาตามไปไม่มีหยุดอย่างนี้อูกวันหนึ่งมันก็จนงงเราถึงที่กันนะเรากตัดุบมันได้ก็เหมือนกันกับไอ้ทีนามเมื่มันย่อเท้าเราไอ้ทีนามเรื่อยๆมันจะเห็นที่ของมันเนียอีกวันหนึ่งแล้วก็ในที่มัน จะต้องมีโอกาสบง่งหนาหมอกเกินได้ต้องพิจารณาอย่างนั้นแตดัะ น, นั้นเรื่องสุดทุกเนี่ยเราจะทํำยังไงมัอนไหมถ้าไม่มีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนะี่ยจะเจ้าอะไรเป็นเหตุไหมอ่าจะเ้าอะไรเป็นเหตุไห ม, มถ้านีเหตุไม่มีผลมันจะเกิดตรงไหนเล่าอ่า นี่เดีาธรรมนี่มันเกิดพ่อเอตุเมื่อผลมันจะดับไปนั่นก็เหตุที่มันดับไปก่อนผลมันจึงดับไปด้วยมันเป็ น, นธรรมนองอันนี้แต่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจจริงอยากจ ะ, จะนหนีทุกตนนี้เนี่ยอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเรารู้ไม่ถึงมันไอความเป็นจริงเนนั้นน่ะท่านอยากจะรู้อันนี้รู้โลกอันนี้ที่เราอยู่เนี่ย เอไม่ตรงนี้ไปทางไหนล่ะอืมจะอยู่ก็ได้จะไปก็เป็นจะให้มีความรู้สึกอย่างนั้นนี่ให้พิจารณาให้ดีอให้ดีวางมันสุขมันทุกข์ที่ตรงไห น, นถ้าเราที่เราว่าไม่ยึดหมายหรือมันไม่มันมม่นหมายของมันนั่นอันนั้นมันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไมรู้สึ ไอ้ทุกเนี่ยไอ้ไอที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากภพมันมีภพที่จะเกิดมันก็ต้องไปเกิดที่ภพคือความเกิดด้วยเนี่ยมันจะเกิดที่ภพตัวอุปาทานมีแหละมันเป็นภพอืมนยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันเป็นภพให้ทุกเกิดนะไอ้ทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นมารูเถอะ อย่ไปดูไปกไกลจะดูปัจจุบันนี่ดูกายดูจิตของเราเดียวนี้ที่เราปฏิบัติอยู่เดียวนี้มาทุกเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันเป็นทุกข์ดูด้แล้วนั้นเนี่ยเมื่อสุกเกิดขึ้นมามันเป็นอะไรมันเป็นสุขดูเดียวนั้นน่ะมันเกิดตรงไหนเนะ่ยให้มันรู้จักแล้วนีนน้ทุกเกิดที่อุปาทานทุกเกิดที่อุปาทานทั้งนั้นการเกิดขึ้นมามันต้องอาศัยภพคือชาติ ถ้ามันมีชาติขึ้ดมามันต้องมาจากพบมันจึงมีชาติชาติเป็นมีชลาชลามีพยาธิมีมรณะโซกะปริเทวนาทุกข์ไปเลยไม่ต้องดูไกลแล้วเรามาดูเดี๋ยวนี้อุปท า, านให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์โดยที่ไม่รู้ตัว ถ้ามีอะไรที่ชอบใจก็อุปทานอันนี้ของฉันเนี่ยอันนี้ฉันชอบใจก็ดีใจเท่นั้นเนี่ยนี่มีแต่มันเกิดมามันเกิดเพราะอนะไรอุปทานาดูดไง่ายไม่ต้องดูมันนานหรอกอืมไอ้สิ่งใดที่มันมีพบอันหนึ่งที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์มันจะเกิดที่ภพเนี่ยทุกข์นี่นคือชาติทุกข์เมื่อชาติเกิดขึ้นมาที่พบ มันเป็นทุกข์เนี่ย <Yeah. S 1> ตัวขึ้นมาตรงนั้นชาตินี้มันก็รู้จักที่เกิดมันคือทุกข์สุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเกิดจาก hmm. ทุอืมตรงนั้นเนี่ยนหนึ่งจับมาเป็นเป็นชาติทุกข์เกิดสุขขึมมนนนนนวว้นมามันก็เป็นชาติอันหนึ่งตรวจความทุกข์ใจขึ้นมามันก็เป็นชาติอันหนึ่ง